ฟังธรรมกันเนอะเพ่อเป็นผู้พูดต้าลางหลายเป็นผู้ฟังฟังธรรมก็คือฟังเรื่องตัวเราได้แหละเรื่องตัวเราก็มีร่างกายมีจิตใจถ้าเรามีสติจะเห็นทุกอย่างที่มันเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายิตใจเรา เราก็รู้สารพัดอย่างในร่างกายจิตใจด้วยจงจะเป็นการรู้แย้งโลกโลกคือร่างกายอันพวกสอกยาวานหนาคืบนี้ที่คนนี้ไม่ตายเนี่ยมันมีปัญหาต่างๆปัญหาทางกายก็มีปัญหาทางจิตใจก็มีเราจะมาดูมาศึกษามาปฏิบัติธรรม ปธิปัฏฐ์คือมาเจริญสติสร้างกวารู้สึกตัวแล้วก็มาเลืนตามาดูมาดูโลกก้อนี้มันมีอะไรบ้างที่เราหลงว่ามีเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเราก็มีเราจึงมาดูมาเห็นซะถ้ามีสติมันก็เห็น ถ้าเห็นแล้วมันก็ได้คำตอบความมันคืออะไรไม่ใช่เห็นทางตาอันเห็นทางการสัมผัสความรู้เป็นยังไงความหลงเป็นยังไงต่างกันไห ม, มันก็เห็นเข้าเราสร้างตัวรู้ตัวรู้มีไหมในเราเนี่ยนี่เปนการ <c oughs> ตัวหลงมีไหมมีเหมือนกันตัวหลงมันเป็นประโยชน์ไปเปิดทำต่อรอไปแล้วก็สัมผัส ด, ดูตัวรูสึกตัวเลยเป็นธรรมไม้แล้วก็สัมผัส ด, ดูเราจึงสร้างตัวรู้รื่อขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาก่อนมันเราจะดูอะไรต้องเวกาเพราะว่าที่เห็นยิงงดูได้ แต่ดูเห็นมันเป็นาตาเป็นรูปประทับมันก็ตอบได้แต่เห็นทางตาเนี่ยมันก็ชวนให้หลงกว่ามีแต่ตัวลู่สึ่งตัวเดียเมื่อเห็นแล้ว <c oughs> ไม่หลง เพาว่าเห็นหลงมันก็รู้เห็นทุกข์มันก็รู้เห็นสุขมันก็รู้เห็นอะไรต่างๆมากมายไม่แต่ตัวรู้ก็ไปตัวเฉลยเป็นตัวเฉลยเข้าไปต้องตัวใครตัวเราไม่มีใครหลงแทนเราไม่ม่ใครรู้แทนเราถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่เห็นละ่ะ เราอยู่กับความหลงมาเท่าไหร่ไม่เคยสัมผัสตัวถ้าไม่เคยสัมผัสความรู้จะไปรู้จากรสชาติของความหลงว่ามันเป็นอย่างไรด้านอยู่ได้ห่ะอหลงก็ด้านอยู่เฉยอยู่บางทีชอบด้วยชอบหลงด้วยมันไม่เกิดขึ้นเองก็หาให้มันหลง ทางตาทางหูเพื่อให้เกิดความหลงทางลิน้นทางกายทางใจเพื่อให้เกิดความหลงห <c oughs> าด้วยเงินด้วยทองก็มีถ้ามันเกิดโกหลก็พอใจกินเหล้ามอยาเที่ยวเตะเล่นด้นรุหนหังฟังเพลงก็มีชีวิตอยู่กับความหลงอยู่ในโลกแห่งความหลงนอนเท่าไหร่ปัดนี้น <c oughs> เราจึงมาดูสิมันเป็นยังไงวิธีปฏิบัติก็ขยันสร้างความรู้โดยรูปแบบของกรรมฐานตามหลัพกพระพุทธเจ้าทร ง, งสอนไว้แล้วพวกเราไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนี่มานานแล้วสองพันสามพันปีแล้ว ก่อนปรลิณพานนับแต่วันปรลลิณพานมาก็สอง0ันห้าร้อยห้าสิบก่อนปลิณพานเนี่ยก็สี่สิบห้าปีมันก็สองพันเก้าร้อยปีมาแล้วเก้ารอยห้าสิบปี <c oughs> อะไก็ไม่รู้นับสี่บห้าเข้าไปกับห้าสิบถูบวกกันเข้าไป เก้าสิบ้าสองวันเก้ารอยเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็คานวณดูเพราะนั่นเนี่ยเกิดปนานแล้ววิธีปฏิบัติแต่คนไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจศึกษาเรื่องนี้ดูผู้ศึกษาก็ได้คำตอบเลย เ อ, เอาความหลงไว้หลังแล้วเอาความโกรธไว้หลังแล้วความโกรธความทุกข์ความหลงเป็นสุดท้ายได้ไม่มีตลอดไปะเป็นขั้งสุดท้ายได้ถ้าโกรธก็ขั้งสุดท้ายได้ไม่ต้องโกรธอีกต่อไปถ้าความทุกข์ก็ขั้งสุดท้ายได้ไม่มีความทุกข์ต่อไปมันควรที่จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แยวเราก็ยอมนะยอมทุก ยอมโกรธยอมหลงแล้วก็พอใจด้วยเวลามันโกรธพอใจอยู่กับความโกรธนอนอยู่กับความโกรธข้ามหวานข้ามคืนได้แล้วมันทุกข์ก็พอใจในความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์ข้ามหวานข้ามคืนได้โกรธแล้วไม่พอผ่านคนอื่นหลงแล้วไม่พอผ่านคนอื่นทุกข์แล้วไม่พอผ่านคนอื่นด้วยก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมาย แต่ถ้าเราทุกคนมาศึกษามวารู้มาดูสิมันเป็นเรื่องของเราแท้ๆถ้าเราหลงเราก็รู้สิจะเป็นยังไงถ้ามันทุกก็รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันโกรธก็รู้ถ้ามันหลงก็รู้มันจะเป็นยังไงเอาไปมามันไม่จริงความหลงมาไม่เริง มันไม่จริงเหมือนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงกว่าเป็นธรรมต่อากายต่อใจมากที่สุดความรู้สึกตัวเนี่ยความหลงไม่เป็นธรรมอะไรถ้าเราไม่เห็นมันก็ตอบไม่ได้ไม่รู้จักแก้ไขไม่รู้จักเปลี่ยนแตง่งเราจึงมาชวนกันมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นอนันตญาณมิตรมิสันที่ เมีเพื่อนมีพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์ที่ประสบการณ์ในเรื่องนี้มาในยุคนี้สมัยนี้ครึ่งศตวรรษมาแล้วที่ส้อนกันอย่างในเรื่องนี้สี่สิบห้าสิบปีมาแล้วก็พิสูจน์ได้ให้เรามาพิสูจน์ร่วมกันดู ไม่ใช่ไปเชื่อโดยไม่มีปัญญาอะไรมีแต่ศรัทธาไม่มีปัญญาไม่แต่ความเชื่อไม่มีปัญญามันก็ไม่ประโยชน์อะไรเมื่อกเราเมาน่าไม่ทำให้มันเกิดปักเกิดข้าขึ้นมามันก็ไม่น่าเฉยเฉยศรัทธาเหมือนกับเนื้อนาเราให้ทิ้งไปเฉยเฉยไม่ทำประโยชน์มันเกิดขึ้งจากนาปูกข้าวออกมากินสร้างเนื้อสร้างหนังมา ศรัทธาที่ขาดปัญญาก็ไม่มีประโยชน์เลยจงมาก่อนที่มีศรัทธาต้องสะปัดดวงกนไม่ใช่อะไรก็เชื่อแต่เพื่อเพือเป็นศรัทธาจริตได้เหมือนกันไม่ใช่ศรัทธาสัมบุญศรัทธาก้าวหน้าศรัทธาจริตศรัทธาหัวเต่าบางทีก็เบื่อบางทีก็ศรัทธา เอาศาสจาไปเวล่อจะทาแบบนั้นต้องมาสัมผัสดูถ้ามันเห็นถ้ามันสัมผัสกับตัวเองโอ้เราทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อมีสติเป็นไปอย่างนี้ตัวหลงมันเป็นอย่างนี้โอ้ยสัทธาสติบัดเนี้ยนี้ประโยชน์จริงๆสตินี่พระพุทธเจ้าตั้งต้ทนที่นี้การศึกษาของผมจากการศึกษาหมาจบสิบเจ็ดศาสตร์ไตสบายนั้น ขี่มาายิงทนูฟันดาบเอาหน้ากันเป็นศาสตร์ทุกวัไปวิทยาศาสตร์เศษศาสตร์รัตศาสตร์อะไรต่างๆไปแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นทุกมีกิเลสตนาอยู่จนบัพพาตหัวงเบืองเคยบินละพัดเห็นเกิดแจ่เจ็บตาย ได้เป็นการบ้านของผมหาคํำตอบจากอันนี้ให้ได้ฐานะที่เป็นเจ้าผ้ามากษัตริย์เอาตัวเองเป็นชีวิตเป็นเดิมคันจนได้คําตอบออกมาโอ้นี่คือชีวิตจริงๆก็มองเป็นคู่เมื่อมีเกิดต้องไม่ไม่เกิดเมื่อไม่แฉก็ต้องมีไม่แฉเมื่อไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตา ย, ตตายแน่นอน แท้แหวงหาหกปีได้เป็นพระเจ้าจากการเริ่มโทนที่หลงไปห้าปีกว่ากว่าทำทุกอย่างประมาณนอนเชียนนอนหนามไม่กินข้าวอาบขี้ผุนขี้คนให้คนหนัวคนเขานุ่งผ้าเสียฟาดเปรืเปื้อ น, นลกุกหลงหลงัลงเกือบตายไป อันนั้นไม่ใช่ทางพราวันสุดท้ายเนี่ยอะไรอะไรก็ทำหมดแล้วเหลือแต่บาเพ็ญตังกิจมามีสติดูจิตมันต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนทำไมเราจึ ง, งมารูจิตเราเพราะจิตของเรามาันลบกวนเือเกินขณะที่พระองค์ปลีกเล่นอยูอ่พี่เบสเพียงลำพังโมงเดียว ส, สมัยก่อนอยู่ความปัญจวิชีทั้งห้าคอยปฏิบัติคอยประคบประหงผ ง, งต่อไปพระองค์ได้มีโอกาสไปฉันข้าวนางสุชดาปัญจวิชีเบื่อหน่ายเห็นว่าไม่ใช่แล้วแต่ก่อนอดท้ออดน้ำปัญจวิชีศรัทธาพระพุทธเจ้าก็โอ้ยขนาด ผมจนแม่มีเลี่ยไม่แรงมันยังมีขิดเดตตัณหามีความโกรธคิดถึงพิมพาลาหนอยู่คิดถึงสาวสนมกำนันในคิดถึงพระราชมบัตภาษาสัลดูคิตไปเอา้ามันเป็นเรื่องของจิตนี่เราก็ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจนได้จับลุกจับนั่งปัณ น, นี้มันยังโกรธปัณณวิคีคิดถึงเพียมพาเกิดเจตนา อยู่อูก็อ่อนบเป็นทังกิตเข้าไปวิธีจะบมเพ็นทังกิตเห็นิตต้องมีสติเข้าไปพระองค์จะมาเริ่มต้นในวันเพ็ญเดือน6ุกพรรษาที่หกปีที่หกอรคืนนั้นก็จะรัอย่างแทนที่จะเริกสติมันจะมีสติเลยมันไม่มีสติมันหลงมากกว่า มันง่ายที่จะหลงมันเป็นห้ายสีรู้เสียแล้วอะไรมันเกิดขึ้นสรพัดอย่างขณะที่มีสติก็ได้บทเรียนจากริงต่างๆมากมายบางอย่างพวกค์สมมุติเป็นภูเขาเช่นควมงมมงหงอหอนหอนความดังเลยสงสัยความพิษปงชาติยาบาทกรม า, ร า, าัลละะมันเข้าไปขวงปัดเอาไว้เจ้า่ะไร มีสติทีใดอันจริงเหล่านั้นมาขวงเอาไว้ไม่มีสติมันทําให้หลงคิดแล่นไปเกิดอาการต่างๆจากความเพีมากมายก็กลับมามาก็มามีสติอาจจะดูอะไรในพระสูตรมีแต่บอกว่าการคู่เขียนเข้าการเหยียดเขียนออกการาคู่เขียนเข้ามารู้สึกตัวการเหยียดเขียนออกไปรู้สึกตัว การมองขวาการมองซ้ายการเดินไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลังการหายใจเข้าการหายใจออกการคืนน้ำลาการคืนน้ำลายการพิษตายืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวให้รู้พระ อ, องค์จึงวางเอาไว้ศึกษาดูแลว่ากายารูปชาติมีสติดูกายสิกายมันมีอยู่อย่าไปหาเดือนมาดู เรายังมีอันนี้กายารัจนะมีรูปแบบเกิดขึ้นมารานแล้วรูปแบบอ น, นี้แต่ไปเจริญอยู่ที่ประเทศเรา<ม>ก็กลับมาอยู่วางไทยเราประมาณครึ่งศตรวรรษกว่าโดยหลวงพ่อเทียน<อ>นั่นนั่งอยูย่เป็นผู้ที่ไปนำมาปฏิบัติจาก หลวงประบางวัดโส่าหลวงมาอยู่อำเภอสีชังใหม่จังหวัดน้องข่ายแต่ไม่ห้าสิบหกสปีมาเนี่ยพวกเราเป็นลูกสิดลูกสุดท้ายภายหลังก็ปฏิวัติลองลงมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆฮะถ้าจะเป็นการเจริญสติเป็นการละความชั่ว เป็นการทำความดีเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่เอา้ามันเป็นใหญ่จริงๆถ้าเรามีสติเราก็ไม่ได้คิดชั่วไม่ได้พูดชั่วไม่ได้ทำชั่วเลยโอ้นี่คือการทำความดีแล้วเรามีสติมันก็ละความชั่วไปเลยมีสติมีสติเท่าไหร่ไกลความชั่วไกลความหลงไปเด้เเอเดเพราะมันหลงขึ้นมาลู่ ป, ปั๊บกันดีฮะ ความหลงเอาไว้หลังแล้วมีความรู้ออกมาแล้วมันทุกก็รู้ทันทีมันง่วงก็รู้ทันทีอะไรก็ตามอมว่รู้จักตัวอมรู้จักตัวหนึ่โอ้โหมันเป็นไรปะเนี่มันละความชั่วทำความดีไม่เปะเพื่อนเลยจิตใจบริสุทธิ์ไม่ไปหลงสุขไปไปหลงทุกข์แม้นมันเกิดขึ้นก็ไม่หลงมีแต่รู้เรื่อยไปบทเรียนดีด้วยยิ่งมันทุกข์ยิ่งดียิ่งมันคิดยิ่งดี แค่ได้เห็นมันมันชี้ที่หนึ่งรู้ทันที่หนึ่งอ้าวมีประสบการณ์แล้วมันหลงจากความคิดเอาไปเป็นตัวรู้จากความคิดเลยมันหลงจากกายเอาเป็นรู้ทางกายมันหลงในกายเอากายมันเป็นตัวเป็นตนเรากายมันเป็นทุกข์พระเจ้าก็บอกว่ากายเสกว่ากายไม่ชัดเจนบุคคลตัวตนเราเขาเฉลยไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นด้วยยังเป็นเราอยู่ เมื่อมันเป็นเราอยู่ก็ไม่ต้องไปชี้ตาเหตุผลก็คือเราเนี้อกายของเรามันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันปวดบอกมาให้บอกให้เจ็บให้ปวดได้ไหมมันเป็นของเราจริงหรือยุงกัดมึงจะเจ็บนะมึงนั่งอยู่นี่สามวันสามคืนได้นะไม่ได้มึงต้องนอนอยู่ได้ไหมสามวันสามคืนได้ไหมไม่ได้มึงต้องเดินอยู่สาวันสามคืนได้ไหมไม่ได้ น้อมันเป็นอาการของกายมันศักว่ากายไม่ใช่ตัตบุคคลตนเราเขเราไม่สติกําหนดรู้เดียกันรู้เรื่อยไปเกี่ยวข้อกับมันนะถูกต้องไม่เอมาเป็นทุกข์กมมาเป็นทุกข์ไม่มาเป็นตัวเป็นตนเป็นสักประกายสติเป็นอย่างนั้นสติรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นสัามาทิฏฐิที่เห็นกับกายแต่ก่อนเป็นมิจฉาทิฏฐิเจียกายเราเคยเอากายมาเป็นทุกข์ความร้อนก็เป็นทุกข์ ควาปวดกวาเมื่อยเป็นทุกข์ความหนาวเป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์เป็นมิเฉาี่ยติบัตรนี้ไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยเป็นการเหตุแจ้งมันรอนก็เห็นโอ้ขอบคุณความรอนได้ถ้าม่ไม่รอดมันไม่ใช่กายแล้วมันหิวโอ้ยขอบคุณความหิวถ้าไม่หิวว่าเป็นมันก็ไม่ใช่กายแล้วแต่ก่อนเราเป็นทุกข์ความหิวอะไรก็มาเป็นทุกข์ พอใจไม่พอใจในกายที่มันเกิดขึ้นมาต้องวิ่งตามต้องหาต้องศกศ ก, ก, ก, กสกสกยักษ์สุขเกียรติทุกข์เพื่อถมเข้าไปในกายเท่าไหร่เท่าไหร่อันไม่เห็นพอไม่เห็นโอ้ยกายสภาวะกายไม่ใช่จับุคลตัวตนเราเขาจริงจังเวทนาที่มันเจ็บมันปวดมันสุขมันทุกข์ไม่ใช่จัตุคคลจีิแหละเวทนาเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกันกาย เบเจาคือสุขคืทุกข์มันต้องเกิดขึ้นขึ้นไปกับใจเป็นธรรมชาติเป็นอาการของเขาสักว่าเวเนาไม่ใช่สรรพคนตัวตนเราเขาเหมือนกันเอาจิตหรือที่มันคิดต้นคิดนี้นะมันเป็นตัวเป็นต้นไหยเราเอาความคิดมาเป็นความสุขเราความคิดมันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์เพราะความคิดเป็นความสุขเพราะความคิดมันจริงไหมเสื่อเปรียบความคิด คิดเขมาก็โกรธแล้วคิดมาก็ทุกข์เลยนอนอยู่ถ้าบัญชิดก็น้ําตาร่วงน้ําตาไหลนอนไม่หลับเลยทำไมจึงเป็นอ่ะเพราะเรานึกว่าเรามันไม่ใช่เลยความคิดอ่ะเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะมันปีเจตสิกเจตสิกคือมันคิดมันมีอาการเหมือนคล้องเนี่ยถ้าแขวนไว้น้าก็ไม่ดังถ้ามีเหตุเจตสิกมันไปตีแล้วก็ดังขึ้นมา กิจใจเมื่อมันคิดสิ่ใดบวชแล่นไปเจตสิกไปมวชแล่นไปมันอยู่ไม่เป็นจะไปห้ามมันไม่ได้ต้องรู้จากมันเอาบทเรียนจากบรรจุบรรทุกมาเป็นตัวรู้ไว้เลยเห็นกิจเห็นกิจจากว่าจิจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหลาเขาอู้ออกไปเลยบัดนี้บางทีมันเกิดสงบก็จะบายเกิดสุข บางทีบางเกิดทุกข์อึดอัดเครื่องเคียดเบื่อเช้งอะไรต่างๆมันเป็นอาการมันไม่ใช่ตัวชจตลรว่าธรรมทั้งหลายเป็นกุศลมันดกุศลความดีความชั่วไม่มีใคยทำมาหรอกมันเกิดขึ้นมาเองที่เป็นธรรมทั้งหลายของบางอย่างสมมติว่าดีของบางอย่างสมมติว่าไม่ดีแล้วก็เห็นแล้วนะ่ะ ทรรสักว่าทรมไม่ใช่สัตว์ปุงตนตัวเราเขาเห็นไปเห็นมาเห็นแล้วไอ้เด็เห็นหลายครั้งไปรู้ว่าจิตข้างเห่หนเดี๋ยวมันเกิดกายเกิดจิตเกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อมเห็นอยู่บ่อยๆมันก็ขินตามันก็เกิดการเห็นแจ้งเหมือนเราเห็นหน้ากันน่ะก็จํากันได้อก็อาจารย์วิริจิตผู้หมอวิริจิตมาจีใดก็เห็นรู้ปั๊บทันทีมิวิริจิต ไม่ใช่วิลกิจมิลกิจนะ <laughs> อะมันเห็นแหละเห็นกันมาเป็นสิบปีแล้วเอาเห็นยังไงเขามาปฏิบัติเนี่ยอหมา ป, ปลูกปับร้านยิงโกอ ง, งอันเป็นรุ่นแรกผูกต้นยางได้กล้าใส่แล้วเห็นอันเห็นอย่างนี้เป็นใครเป็นการละยาเป็นการละยาละมิตรที่ปฏิบัติทําด้วยกันช่วยกัน นะเรียกว่ากันในญาณเมิตถ้าเห็นคนเดินแหละมีมันกันมาลักมาขโมยมีไหมมีมันกันที่นี่เมื่อ้ี่ก็เลยเตือนพวกเราว่าของแม่ค่าอยาเก็บไว้กติที่พระของตนบางทีมีโจรมีขโมยเราเห็นนะเห็นจนจับได้ไปติดคุกอยู่ออกจากคุกมาเอามาจะมาลักอีกเห็นอ่ะเป็นกันเรมิตไหมไม่เป็นกันแลเรม็ดไม่เลยอันนี้เป็น โจรเป็นผู้ไรยก็ต้องก็ต้องดีขอบคุณเขาเราจะได้ระมัดระวังเราจะได้มาระวัระวังไม่เหมือนเห็นอ๋อมลิกิดเห็นเจนผู้ไายแต่เดี่ยมันตายไปแล้วมันป่วยใช่ไหมแต่ว่าจะไปว่าเออมันไม่ตายเป็นหรอกคนชั่วมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวก็ไปทันทีเลย เพราะการเห็นแต่เด็ดนี่แหละเอามาพิสูจน์ด้วยกันดูอย่ามาเชื่อเรานะไม่ใช่พูดให้เชื่อนะไม่ใช่พูดให้จําพูดแล้วให้เอาไปทําดูสอนให้ไปทําดูไม่สอนให้จำแล้วนะถ้ามาจําเอาก็ได้ของปลอมนรอกันไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปทําดูบอกให้เจริญสติก็จะเดินสติลองดูเฉ เอา้าลองดูเอามือวางไว้เขา่ารู้จักเข่าไหมทางซ้ายข้างขงัวรู้จักมือไหมทุกคนรู้จักพอว า, างไว้เหมือนหล่นตาเนี่เดี๋ยวนี่มือของท่านอยู่ที่ไหนที่เขา่าใครรู้ว่ามืออยู่ที่เขา่าใครเป็นคนรู้อู้ไม่ได้ขอใครเหลือถามใครไปว่ามือของฉันอยู่ที่ไหน ถามไหมถามหลวงพ่อไหมหลวงพ่อมือของหนูอยู่ไหนถามไหมไม่ได้ถามเ <laughs> พราะมันเห็นเนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อมือข้างมือของคุณทั้งหมดอะ่ะขัดอยู่ข้างหลังนอนอะ่ะเชื่อไหมมือของคุณเหล่านั้ยอยู่บนเข่าหรอกขัดอยู่ข้างหลังอะเชื่อไหมทําไมไม่เชื่อเป็นอาจารย์เนี่ยมาเนี่ยทำไมมาบอกว่าไม่เชื่อ <laughs> อ่ะอ้าอาจารย์ก็หลอกไม่ได้ ใครก็หลอกเราไปได้เรารู้เองเน่มือของฉันอยู่บนเขาหลวงพ่จะเ่ามือขัดอยู่ข้างหลังได้ไงเอาตะแชงมือข้างขวาตั้งไว้ตะแชงเลยยงไม่ใช่ขึ้อยู่หรอพยโยกเคลื่อนยกหรือยังไม่ใช่วางอยู่เขาเหรือเห็นไหมรู้ไหมตัวรู้อย่างนี้เป็นถามใครไหมไม่มีคำถามตอบปอยอย่างไรไหม วางลงก็าว่ามันหลงนี่พิสูจน์อย่างนี้ให้ศึกษาอย่างนี้ให้ไปทำอย่างนี้ดูสัมผัสกับความรู้ดูมันจะเห็นความหลงตรง้ข้ามพอดีถ้าความหลงเป็นหลังมือความรู้เป็นหน้ามือความรู้อยู่ในความหลงความหลงอยู่ในความรู้ก็มีอ่เวลามันหลงเพราะไม่รู้เวลามันรู้มันก็ไม่หลงบางทีมันก็แสกว่ารู้ได้ เราจะได้เห็นหน้าเห็นตา嘛จะได้เห็นได้บทเรียนนั่นเอาไป่าเนี่ยโอ้ยแต่ก่อนเราหลงอยู่เฉยอยู่ได้แต่พอมามีสิพอหลงปั๊บมันไปเอ า, เาความหลงความรู้งเห็นความหลงเป็นความรู้จัิดีเลยทีเดียวไม่ต้องไปขออ้อนวอนจากใครตั้งต้นจากตรงนี้พุทธภาวะเป็นธรรมสติสมัมปชัญญะเป็นธรรมความหลงเป็นอธรรม ไม่ใช่ทำเราจรึงมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมคือมาสร้างตัวรู้ตัวนี้อะไรก็ตามเปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้หมดเลยในกายในใจเราเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นตัวรู้มันเห็นอะไรท็ตามยาปฏิเสธเห็นแล้วรู้สึกตัวเห็นอะไรรู้สึกตัวอย่าไปเอาสุขยาไปเอาทุกอยาไปเอาพอใจไม่พอใจให้เห็นเฉยๆให้รู้เฉยๆรู้ลแล้วไนะ มันสุข ก, ก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วมันหลงก็รู้แล้วมันเป็นไรก็รู้แล้วสร้างสติเลยไปขยันสักหน่อยภาวนาคือขยันรู้ปฏิบัติคือเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เปลี่ยนสุขเป็นรู้ปฏิบัติแล้วถ้ามันทุกข์ไม่เปลี่ยนเป็นตัวรู้ไม่ถือว่าเป็นทักปฏิบัติเลยมันทุกข์อยู่ที่ไหนเปลี่ยนอยู่ที่ท่าน มันทุกอยู่ที่ถนนทางเปลี่ยนอยู่บนถนนทางมันทุกอยู่บนรถเมยเปลี่ยนตันอยู่บนรถเบมย์บรทุกอยู่ที่ทํางานเปลี่ยนมีกับที่ทํางานมันทุกอยู่ก่อนที่เดินเดินต้องนอนเปลี่ยนเรื่องต้องเดินเหมือนหน้ามือหลังมันเปลี่ยนได้มันทุกมันเปลี่ยนเป็นตัวลูกได้มันจุมันเปลี่ยนเป็นตัวลูกได้ที่สุดลองดูเจขยันเปลี่ยนสักหน่อยให้มีตัวลูกเป็นทุนเอาไว้ เพื่อจะเป็นเหมือนตาที่เราลื่อนเงินเพื่อดูอะไรตาภายในของเราเนี่ยคือความรู้สึกตัวเลยเห็นไม่แต่เท่างความคิดตาในไม่เห็นความคิดตอกตัวรู้เป็นตาอาตาเนื้อไม่เห็นความผิดตอกตาในเนี่ยเห็นความคิดผู้เห็นทำคือดวงตาเห็นทำคือตาอันนี้จางพระพุทธเจ้าแสดงรธรรมบทจำปัญญาวิชีเนี่ย อัญญาโกนัจจะเป็นผู้ดวงตาเห็นทำก่อนหมคือสติสัมปชัญญะไม่ใช่ตานีนไปเห็นนะดวงตาเห็นธรรมเห็นที่เป็นอะไรทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาทําให้เรารู้ได้คําตอบรู้แจ้งรู้แจ้งจริงๆอ่ะไม่สงสัยตัวหลงไม่สงสัยตัวทุกข์ไม่สงสัยทุกเท่าไหร่ ก็ยังทุกเหมือนเดิมคือคนไม่รู้แจ้งหลงเท่าไหร่ก็ยังหลงเหมือนเดิมคือคนไม่รู้แจ้งเนี่ยมาปฏิบัติธรรมายอยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันคู่บาอาจารย์จริงคือตัวเราบัณฑิตต้องสอนตัวเองแก้ไขตนเองฝึกตนเองโบราณ น, นว่าช่างถากก็ย่อมถาก ตรงที่มันค้มันคง้งให้มันตรงช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรให้มันตรงบัณฑิตก็ต้องฝึกตนไม่ใช่บัณฑิตไปเรียนรู้อะไรว่ากมากไม่ใช่บัณฑิตคือฝึกตนเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกฝึกแล้วเปลี่ยนตัวทุกเป็นตัวลูกฝึกแล้วฝึกตนอย่างนี้เท่านบัณฑิตถ้าไม่เคยฝึกตรงนี้เป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนาไม่ได้ ตนนด้านเราจึงมาอยู่ร่วมกันเดี๋ยวนี้ก็มีอาจารย์กรมรมฐานช่วยเราอยู่อาจารย์กรมรมฐานแม่ไก่กอ <c oughs> <c oughs> กไข่านั่งบาเดินพาอยู่ตลอดเวลาทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังในหลายรูปอยู่ที่นี่เราก็ถือว่าเป็นหน้าที่การสอนธรรมะเนี่ย นะเมื่ออาทิตย์มานี่ไม่ค่อยมีใครมาพวกเราก็ว้าวิเลยนะวันนี้เห็นก็ดีใจยงมากๆเลยนะพวกท่านเลยไม่รู้ว่าคิดยังไงเลยอาชิพถึงมาโอ้ยใครหลอกมาน้ อ, อหมอบีจิตหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะอะลองดูก่อนอ ย, อ, อ, อย่าไปหาคำตอบอย่าไปหาคําตอบจากความคิดเอาเหตุแอาผลมาใช่ไม่ได้เลยมาก็ ท, ทําแท้ๆเป็นกรรมฐาน ทำกรร ม, มาฐานคือต้องกระทำลงไปไม่ใช่หาคำตอบดูความคิดเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมใครก็มีเหตุผลเหมือนกันแหละคนฆ่ากันเวลาตายก็มีเหตุผลของเขาไม่ใช่สัจธรรมอันนี้เป็นกรรมตอนนี้จำแนกเองเราทำาต่างนี้อันนี้มันเกิดมาเราไม่ทำอย่างนี้อันนี้ก็ไม่มีจึงมามผัส ด, ดู แล้วก็มีการทําวัดเช่าทำประเด็นแต่อไปจะทําวัดน้อยไม่มากปฏิบัติกันตามสมควรแจ ก, กําลังไม่ต้องรีดไม่ต้องอยากลู่อยากเห็นนะทำสบายสบายวางใจดีดวจๆวางใจบาบาเวลานั่งสร้างจิตว่าทําตัวรอรออย่าไปกดไปึงต่างหลางหมดอย่าพือว่าโอ้ยนั่งได้ไปเนาะนั่งได้ไปเนอะอย่าไปคิดแล้วนั่นอจะพวดจะอะไรอย่าไปทีอสาหาเรื่องมันมากเกินไปนั่งตัวเบาบายกมือเบาบ้ ไม่รู้อกบ อ, อมันจะไม่เปิดไปเมื่อยมันจะทําได้ดีถ้าเราไปกดประกงเพ่งเครียดไปเลยมันหลงกันเลยอู้หลงแล้วอืมไม่น่าจะหลงเลยอย่าไปเครียดเนละมันหลงก็ยี่มได้หัวเลาความหลงมันทุกข์ก็เยิ่มได้หัวเลความทุกข์อมยิ้มไว้ในใจเสมออย่าหน้าบูดหน้บึง่งเตึงเครียดเลยเวลาเราปฏิบัติทําเนี่ยมันทําาความดีน่าชื่นใจ โอ้ยเรารู้สึกตัวเนี่ยมันละความชั่วเรารู้สึกตัวมันทําความดีเรารู้สึกตัวจิตของเราก็บริสุทธิ์แล้วไม่เปิดเพื่อนกับเสี่ยงใดไอแต่ตัวรู้เนโอ้ยพอใจอยากให้พ่อให้แม่มันนั่งดูเราเด้อช่างอยู่นะโอ้ยลูกชายของฉันเนี่ยกําลังนั่งทําสมาธิลูกสาวของฉันกําลังนั่งกำลังนั่งทําสมาธิเดินจะก็ไม่พ่อแม่ดูกลับไปกับมาโอ้ยถ้าพ่อแม่มาดูเราเนี่ย จะชื่นใจ ห, หน อ, อลูกสาวของแม่มาเดินชมกองโมปฏิบัติเนี่ยมันเป็นงานอันสูงสุดเป็นเกียรติศักดิ์สิที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเก่ากึกล่าสมัยไม่ใช่เลยนี่แหละทันสมัยถ้าความหลงอยู่ไม่ทันสมัยเลยคนยังทุกอยู่ไม่ทันสมัยคนยังโกรธอยู่ไม่ทันสมัยเป็นคนล่าสมัยแล้วสมัยทุกวันเข้าไปไกลแล้วไปจากความหลง เขาไปจากความโกรธแล้วเขาไปจากความโทรมแล้วเป็นอิสระแล้วเรายังมาอยู่ตรงนั่นหรือล่าสมัยแม้จะเป็นยุคโกลกาพิวัตรลุกกุกอะไรก็ไม่เออมันก็ยังหลงอยู่เหมือนเดิมกี่ปีกี่เดือนก็ยังหลงอยู่ใช่ไม่ได้เลยเนี่ยไปกันเถอเพะพวกเราออกจากตัวนี้ไปอยู่ตัวออกจากตัวงบรรจุตัวนี้ลูไปรู้ไปนี่ลองพอก็พูดโชฟังเพื่อให้อะ ให้ยินได้ฟังเป็นการประกอบ ก, บกับการปฏิบัติของเราที่อยู่ที่นี่อย่าไปคิดเรื่องอยู่เรื่องกินอย่าไปคิดเรื่องอะไรนะการอยู่กันที่นีคนคิดให้เราแล้วที่หลับที่นอนก็พอบรรเทาได้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราบรรดาบเรานะบ้านเราอนะไนะจอยากกินอะไรเปิดตู้เย็นอยู่นี่ไม่มีตู้เย็นให้เปิดเวลามัดมือชคเลยไปตีละครั้งจะค่อยได้กิน ตองไปคิดแทนเสียดีวละครอะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นไม่มีนะนี่น่าไปออดลองดูให้ไม่หิวลองดูคนหิวมันดีนะเห็นดกแขนใจคนที่หิวมีเมตตาก็นาเกิดขึ้นมันดีเหมือนกันไม่เป็นไรเพื่อขัดทุกทิศทุกทางพวกเราปวดเมื่อยก็มีเหมือนกันนะไม่เป็นไร ใครก็ปวดเหมือนกันแหละพระเจ้าก็ยังจะปวดมากกว่าเราเองสุขผมมารชาตทนะพระพุทธเจ้าอยู่ในประสาทจัลดูพวกเรามีไหมประสาทจัลดูไม่มีหรอกอ่อาจจะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกระดานเพื้นนั่งอย่างนี้ไม่มีหลังคาแบบไหนไม่มีพัดลมไม่มีไฟฟ้าไม่มีใครเป็นเพื่อนอยู่ลาพังโพงเดียวอยู่ในป่านั่งอยู่ใต้ต้นสีมาโูอาจจะลําบากกว่าเรา ยุงกัดไม่มีงูเรื่อยมาลมบัดหนาวฝนตกเปียกลำบากกว่าเรานี่อย่าคิดว่าเรายากลำบากทำไวมันสบายอยู่แล้วพวกเราเนาะเอาวันนี้ก็สมควรเวลาก็าจบแข่งท่านี้ขับพระร้อมกัน